พระไตรปิฎกเล่มที่ส2องมหาหัตถปัโทปมสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยรอยเท้าช้างสูตรใหญ่เปรียบเทียบอริยสัตว์กับรอยเท้าช้างสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบินธิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นแหล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 คุศรธรรมทั้งหมดก็ชั้นนั้นเหมือนกันนับเข้าในอริยสัจสี่อริยสัจสี่คือทุกขอริยสัจทุกขะสมุทัยอริยสัจทุกขะนิโรธอริยสัจทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจทุกขอริยสัจเป็นอย่างไรคือชาติเป็นทุกข์ชราเป็นทุกข์มรณะเป็นทุกข์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 และวิญญาณูปาทานขันรูปูปาทานขันอะไรบ้างคือมหาพุตรูปสี่และรูปที่อาศัยมหาพุตรูปสี่มหาพูตรูปสี่อะไรบ้างคือปัทวีธาตุออาโปธาตุเตโชธาตุและวายโยธาตุปัทวีธาตุเป็นอย่างไร คือปัทวีธาตภายในก็มีปัทวีธาตภายนอกก็มีปัทวีธาตภายในเป็นอย่างไรคืออุปาทินนกกะรูปหมายถึงรูปมีกรรมเป็นสมมุติฐานคำนี้เป็นชื่อของรูปที่ดำรงอยู่ภายในสรีระที่ยึดถือจับต้องรูปคลาได้เช่นผมขนอาหารใหม่อาหารเก่าเป็นต้น คำนี้กำหนดจำแนกหมายเอาปัทวีธาตภายในแต่สำหรับอาโปธาตเตโชธาตและวายโยธาตก็มีในเช่นเดียวกันพึงทราบความพิสดารในคำพีวิสุทธิมัตปัทวีธาตภายในเป็นอย่างไรคืออุปัทินนกะรูปภายในที่เป็นของเฉพาะตนเป็นของแข่งแข็งเป็นของหยาบได้แก่ผม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 ปัวีธาต์ภายในและปัตวีธาตภายนอกนี้ก็เป็นปัตวีธาตุนั่นเองบัณฑิตควรเห็นปัตวีธาตุนั้นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่านั wir. Wir wir. Wir wir. Wir ่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราบัณฑิตครั้นเห็นปัตวีธาตุนั้นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้แล้ว ย่อมเบื่อหน่ายในปัตวีธาตุและทำจิตให้คลายกำหนัดจากปัตวีธาตุเวลาที่อาปโปธาตุภายนอกกําเริบย่อมจะมีได้ในเวลานั้นปัตวีธาตุภายนอกจะอันตรธานไปปัตวีธาตุภายนอกหรือธาตุดินซึ่งใหญ่ถึงเพียงนั้นยังปรากฏเป็นของไม่เที่ยงมีความสิ้นไปเป็นธรรมดา มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความแปรผันไปเป็นธรรมดาฉนัยกายซึ่งตั้งอยู่ชั่วเวลาเล็กน้อยนี้ที่ถูกตันหาเข้าไปยึดถือว่าเราว่าของเราว่าเรามีอยู่จะไม่ปรากฏเป็นของไม่เที่ยงมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาและมีความแปรผันไปเป็นธรรมดาเล่าเมื่อเป็นเช่นนี้ภิกษุนั้น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 กายนี้เป็นที่รองรับการทาร้ายด้วยป่ามือบ้างก้อนดินบ้างท่อนไม้บ้างด้วยสัตว์ราบ้างอันหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ในพระโอวาทที่อุปมาด้วยเรื่อยว่าภิกษุทั้งหลายหากพวกโจรผู้ประพฤติต่ำารามจะพึงใช้เลื่อยที่มีที่จับสองข้างเลื่อยอวัยวะน้อยใหญ่ผู้มีใจคิดร้ายแม้ในพวกโจร น, นั้น ก็มีชื่อว่าทำตามคำสั่งสอนของเราเพราะเหตุที่อดกลั้นไม่ได้นั้นอันหนึ่งความเพียรที่เราเริ่มทำแล้วจะไม่ย่อหย่อนสติที่เราตั้งไว้แล้วจะไม่หลงลืมกายที่เราทำให้สงบแล้วจะไม่กระวนกระวายจิตที่เราทำให้ตั้งมั่นแล้วจะมีอารมณ์แน่วแน่คราวนี้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 ภิกษุนั้นย่อมสลดหดหู่ใจเพราะเหตุนั้นว่าไม่เป็นลาภของเราหนอลาภไม่มีแกเราหนอเราได้ไม่ดีแล้วหนอการได้ด้วยดีไม่มีแกเราหนอที่เราระลึกถึงพระพุทธเจ้าถึงพระธรรมถึงพระสงฆ์อยู่อย่างนี้อุเบกขาอันอาศัยกุศลธรรมยังดำรงอยู่ไม่ได้ย่อมสลดอดหู่ใจเพราะเหตุนั้น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 อาโปาธาตุธาตุน้ำอาโปาธาตุเป็นอย่างไรคืออาโปาธาตุภายในก็มีอาโปาธาตุภายนอกก็มีอาโปาธาตุภายในเป็นอย่างไรคืออุปทินกะรูปภายในที่เป็นของเฉพาะตนเป็นของเอิบอาบมีความเอิบอาบได้แก่ดีสเลตหนองเลือดเหงื่อมันค้น น้ำตาเหลวมันน้ำลายน้ำมูกไขข้อมูดหรือปัสสาวะหรืออุปาทินกะรูปภายในอื่นใดที่เป็นของเฉพาะตนเป็นของเอบอบาบมีความเอบอบาบนี้เรียกว่าอาโปธาต์ภายในอาโปธาต์ภายในและอาโปธาต์ภายนอกนี้ก็เป็นอาโปธาต์นั่นเองบัณฑิตพึงเห็นอาโปธาต์นั้น ตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราครั้นเห็นอาโปธาตนั้นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายในอาโปธาตและทำจิตให้คลายกาหนัดจากอาโปธาตเวลาที่อาโปธาต์ภายนอกกำเริบย่อมจะมีได้ อาโปธาภายนอกนั้นย่อมพัดพาบ้านไปบ้างพัดพานิคมไปบ้างพัดพาเมืองไปบ้างพัดพาชนบทไปบ้างเวลาที่น้ำในมหาสมุทรลึกลงไปหนึ่งร้อยโยต์บ้างสองร้อยโยต์บ้างสามสี่ห้าหร้อยโยต์บ้างเจ็ดร้อยโยต์บ้างย่อมจะมีได้เวลาที่น้าในมหาสมุทรขังอยู่เจ็ดชั่วลาตานบ้าง 6ชั่วล้ำตาลจนถึงหนึ่งชั่วล้ำตาลบ้างย่อมจะมีได้เวลาที่น้ำในมหาสมุทรขังอยู่เจ็ดชั่วบุรุษบ้าง6กชั่วบุรุษบ้างจนถึงหนึ่งชั่วบุรุษบ้างย่อมจะมีได้เวลาที่น้ำในมหาสมุทรขังอยู่กึ่งชั่วบุรุษบ้างประมาณเพียงสะยเอลบ้างเพียงเข่าบ้างเพียงข้อเท้าบ้างย่อมจะมีได้ เวลาที่น้ำในมหาสมุทรไม่มีพอเปียกข้อนิ้วมือก็ย่อมจะมีได้อาโปดทาาภายนอกซึ่งมีมากถึงเพียงนั้นยังปรากฏเป็นของไม่เที่ยงมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความแปรผันไปเป็นธรรมดาชั้นไหนกายซึ่งตั้งอยู่ชั่วเวลาเล็กน้อยที่ถูกตันหาเข้าไปยึดถือว่าเราว่าของเรา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 เตโชธาตเป็นอย่างไรคือเตโชธาตภายในก็มีเตโชธาตภายนอกก็มีเตโชธาตที่เป็นภายในเป็นอย่างไรคืออุปทินนการูปภายในที่เป็นของเฉพาะตนเป็นของเร่าร้อนมีความเร่าร้อนได้แ ก, ธรรก่ธรรมชาติที่เป็นเครื่องทำร่างกายให้อบอุ่นธรรมชาติที่เป็นเครื่องทำร่างกายให้สุดโทม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 ก็เป็นเตโชธาต้นเองบัณฑิตพึงเห็นเตโชธาต้นนั้นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราบัณฑิตครั้นเห็นเตโชธาต้นนั้นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายในเตโชธาตและทาจิตให้คลายกำหนัดจากเตโชธาต เวลาที่เตโชธาภายนอกกำเริบย่อมจะมีได้เตโชธาภายนอกนั้นย่อมไม่บ้านบ้างไม่นิคมบ้างไม่นครบ้างไม่ชนบทบ้างเตโชธาภายนอกนั้นลามมาถึงหญ้าสดผลทางภูเขาน้ำหรือภูมิภาคที่น่ารื่นรมแล้วเมื่อไม่มีเชื้อย่อมดับไปเอง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 ลมที่แล่นไปตามอวัยวะน้อยใหญ่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกหรืออุปัตินกะรูปภายในอื่นใดที่เป็นของเฉพาะตนเป็นของพัดไปมามีความพัดไปมานี้เรียกว่าวาโยธาภายในวาโยธาภายในและวาโยธาภายนอกนี้ก็เป็นวาโยธาตนั่นเองบัณฑิต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 เวลาที่วายโยธาภายนอกกำเริบย่อมจะมีได้วายโยธาภายนอกนั้นย่อมพัดพาบ้านไปบ้างพัดนิคมไปบ้างพัดนครไปบ้างพัดชนบทไปบ้างเวลาที่ชนทั้งหลายแสวงหาลมด้วยพัดใบตานบ้าง้วยพัดสาหรับพัดไปบ้างในเดือนสุดท้ายแห่งฤดูร้อนแม้ในที่ชายคา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 ด้วยอาการที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใครไม่น่าพอใจคือการทำร้ายด้วยฝ่ามือบ้างด้วยก้อนดินบ้างด้วยท่อนไม้บ้างด้วยสัตว์ราบ้างภิกษุนั้นยอมรู้ชัดอย่างนี้ว่ากายนี้มีสภาพเป็นที่รองรับการทำร้ายด้วยฝ่ามือบ้างด้วยก้อนดินบ้างด้วยท่อนไม้ด้วยสัตว์ราบ้างอันหนึ่งพระผู้มีพระภาค ได้ตรัสไว้ในพระโอวาทที่อุปมาด้วยเรื่อยว่าภิกษุทั้งหลายหากพวกโจรผู้ประพฤติตำสามจะพึงใช้เลื่อยที่มีที่จับสองข้างเลื่อยอวัยวะน้อยใหญ่ผู้มีใจคิดร้ายแม้ในพวกโจร น, นั้นก็ไม่ชื่อว่าทำตามคำสั่งสอนของเราเพราะเหตุที่อดกลั่นไม่ได้นั้นอนหนึ่ง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 เนื้อและหนังมาประกอบเข้ากันจึงนับว่ารูปฉันนั้นหากจักรสุที่เป็นอายตนะภายในไม่แตกทําลายรูปที่เป็นอายตนะภายนอกไม่มาสู่คลองจักรสุทั้งความใส่ใจอันเกิดจากจักรสุแล้วรูปนั้นก็ไม่มีวิญญาณส่วนที่เกิดจากจักรสุแล้วรูปนั้นก็ไม่ปรากฏ หากจักรสุที่เป็นอายตนะภายในไม่แตกทำลายรูปที่เป็นอายตนะภายนอกมาสู่คลองจักระสุแต่ความใส่ใจอันเกิดจากจักรสุและรูปน <ๆ S 2> ั้นไม่มีวิญญาณส่วนที่เกิดจากจักรสุและรูปนั้นก็ไม่ปรากฏแต่เมื่อใดจักระสุที่เป็นอายตนะภายในไม่แตกทำลายรูปที่เป็นอายตนะภายนอก มาสู่คลองจักรสุขทั้งความใส่ใจอันเกิดจากจักรสุแล้วรูปก็มีเมื่อนั้นวิญญาณส่วนที่เกิดจากจักรสุแล้วรูปนั้นย่อมปรากฏด้วยอาการอย่างนี้รูปแห่งสภาพอย่างนั้นจัดเข้าในรูปปูปารทานขันปูปารทานขันคือรูปเวทนาแห่งสภาพอย่างนั้นจัดเข้าในเวทนูปารทานขัน อุปทานขันค er. uh, ือเวทนาสัญญาแห่งสภาพอย่างนั้นจัดเข้าในสัญญูปารทานขันอุปทานขันคือสัญญาสังขารแห่งสภาพอย่างนั้นจัดเข้าในสังขารรูปารทานขันอุปารทานขันคือสังขารวิญญาณแห่งสภาพอย่างนั้นจัดเข้าในวิญญาณูปารทานขันอุปารทานนขันคือวิญญาณ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 ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นปฏิจจสมุปบาทอุปทานนขันห้าประการนี้ชื่อว่าปฏิจจสมุปปนธรรมความพอใจความอาลายัยความยินดีความหมกมุ่นฝังใจในอุปทานนขันห้าประการนี้ชื่อว่าทุกขสมุทยัยการกําจัดความกําหนัด ด้วยอำนาจความพอใจการละความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในอุปทานนขันหาประการนี้ชื่อว่าทุกขานิโรธด้วยเหตุเพียงเท่านี้ภิกษุได้ชื่อว่าทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างมากแล้วอากโสตะขานะชิวหาและกายที่เป็นอายตนะภายในแม่แตกทำลาย เนื้อความโดยละเอียดในยะเดียวกับเรื่องของรูปนะครับจนมาถึงข้อสุดท้ายหากโมโนที่เป็นอายตนะภายในไม่แตกทำลายธรรมารมที่เป็นอายตนะภายนอกไม่มาสู่คลองโมโนทั้งความใส่ใจอันเกิดจากโมโนและธรมารมนั้นก็ไม่มีวิญญาณส่วนที่เกิดจากโมโนและธรมารมนั้นก็ไม่ปรากฏ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 ทั้งความใส่ใจอันเกิดจากโมโนและธรมมารมณ์นั้นก็มีเมื่อนั้นวิญญาณส่วนที่เกิดจากโมโนและธรมารมณ์นั้นย่อมปรากฏด้วยอาการอย่างนี้รูปแห่งสภาพอย่างนั้นจัดเข้าในรูปปูป า, านขันเวทนาแห่งสภาพอย่างนั้นจัดเข้าในเวทนูปาานขันสัญญาแห่งสภาพอย่างนั้น จัดเข้าในสัญญาปาทานะขันสังขารทั้งหลายแห่งสภาพอย่างนั้นจัดเข้าในสังขารูปาทานะขันวิญญาณแห่งสภาพอย่างนั้นจัดเข้าในวิญญาณูปาทานะขันภิกษุนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าการรวบรวมการประชุมและหมวดหมู่แห่งอุปารทานะขันห้าประการนี้มีได้ด้วยประการอย่างนี้ อนนัพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระพุทธโพจน์นี้ไว้ว่าผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นปฏิจจสมุปบาทอุปทานขันห้าประการ น, นี้ชื่อว่าปฏิจจสมุปปันนธรรมความพอใจความอาลัยความยินดี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 ภิกษุได้ชื่อว่าทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นอย่างมากแล้วท่านพระสารีบุตรได้กล่าวพาสิท์นี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพาสิทธิ์ของท่านพระสารีบุตรดังนี้แลจบมหาหัตถปโทปมาสูตรจากพระไตรปิฎกเล่มที่ส2สอง